ก่อนที่จะสมาทานศีลหลวงพ่อจะนำทำความเข้าใจกับพี่น้องศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนศีลมีประโยชน์อย่างไรทำไมพวกเรามีศาสนาพิธีทุกครั้งไม่ว่างานมงคลหรือว่างานอวมงคลงานมงคลก็คืองาน ทำบุญวันเกิดหรือว่าทำบุญขึ้นบ้านใหม่หรือว่าทำบุญมงคลสมรสแต่งานอวมงคลก็คืองานมรณภาพคนล้มคนตายทำงานอุทิศส่วนกุศลแต่ทุกครั้งเมื่อมีงานพวกเราก็ไหว้พระเสร็จแล้วก็รัฒนาศีลอย่างวันนี้แหละคือคนโบราณโบราณ พุทธศาสนาพุทธศาสนกชนดึกดำบรรพ์ก็นิยมกันถือกันหรือ ว, ว่าทำกันมาอย่างนี้แต่ก็น้อยมากที่จะมีครูบาอาจารย์แนะนำหรือบอกกล่าวเรื่องของศีลให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายแต่พวกที่เคยบวชเรียนเขียนอ่านเคยเดเคยบวชมาแล้วเคยศึกษาธรรมะมาแล้วอันนั้นก็นไม่มีปัญหา แต่ถ้าหากว่าจัตนายาตโยมไม่ได้ศึกษาในธรรมะหรือว่าไม่ได้สนใจมีแต่การธรรมาหาเลี้ยงชีพที่จะสนใจเรื่องวัดวาศาสานานั้นที่จะเข้าใจเรื่องศีลธรรมก็คงจะไม่ค่อยเข้าใจเพราะนั้นหลวงพ่อเองไปนักสถานที่ใดที่ยังไม่เคยไป หลวงพ่อจะพูดแนะนําเรื่องศินหรือว่าคุณค่าของศินให้แก่ศรัทธาญาติโยมลูกหลานได้ฟังเพื่อการศึกษาถ้าว่าท่านพูดที่รู้แล้วก็คือว่ารู้แล้วก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าว่าพูดที่ยังไม่รู้เพียงแต่ว่าศินห้าตนเองและคุณค่าประโยชน์ของศินห้านั้นคืออะไรอันนี้พวกเรายังไม่ได้ยังไม่รู้ เพราะนั้นหลวงพ่อทีว่าพวกที่ยังไม่รู้นี่แหละพวกที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังนี่พวกที่เกิดมาทีหลังนี่ไม่ได้ไม่ได้สนใจไม่ได้ศึกษาธรรมะเพราะนั้นหลวงพ่อจึงไปในสถานที่ใดหลวงพ่อจึงก่อนที่จะรับสินหลวงพ่อจึงบอกกล่าวหรือแนะนำเรื่องของสินอันดับแรกอาราธนาสินก็มีสองสองมาตรฐาน พวกเราได้สังเกตไหมไปบางแห่งก็บอกว่ามายัางพันเตติสรณเนาานจสหปัญจศีลานิยาจามะแต่บางแห่งก็มายัางพันเตวิสุงวิสุงรักณัทถายะติสรณเนาานจสหปัญจศีลานิยาจามะทําไมราธนาศินห้าขอศินห้าในกลุ่มเดียวกันแต่ทําไมอราธนาสองราธนาจึงมีสองมาตรฐานทําไมจึงมีสองอย่าง วิสุงวิสุงและปัญจศีลานิยาจามะทำไมจะไม่พูดอันเดียวกันถ้าว่าพวกเราสังเกตพวกเราก็จะรู้พวกเราก็จะมีความสงสัยล่ะถ้าเราสังเกตนะแต่ถ้าาพวกเราไม่สังเกตเพวกเราไม่ได้ไม่รู้ภาษาบาลีเขาว่าอย่างไงก็ว่ากันตามว่าตามเขาไปกระจบไปแต่ถ้าว่าพวกที่สังเกตได้ทาไมคนโบราณเขาจึงให อาราธนาสินมีสองอย่างคืออาราธนาสินสองอย่างเนี่ยมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัดถายะติสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามะคือข้าพเจ้าขอธมาทานสินเป็นข้อข้อข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าปานาธินาาเมมุสาสุรามีห้าข้อแต่ถ้าว่าเราใคร่าเราทำให้สินขาด ล่วงละเมิดสินข้อที่ C อย่างเนี้ยขาขาดแต่ข้อ4ข้อ5กับข้อ3ข้อ2ก็ยังมีอยู่ืลองเราทำขาดข้อ5แล้วก็ข้อ4ยังมีอยู่ืลองทําขาดข้อ5เราออกไปไปกินเหล้าซะอย่างเนี้ยขาดสินข้อ5ก็แต่ยัง4ไปโกหกเขาอีกยางเสือ3ไปทําผิดข้อสินข้อ3อีก ยังเหลือสองไปขโมยของเขาอีกยังเหลือหนึ่งลักษณะอย่างนั้นอ่ะวิสูงวิสูงนะแต่ถ้าหาว่าปัญจศีลานิยาจามะนี่เอีข้าพเจ้าจะรักษาศีลทั้งห้าข้อพร้อมกันอันนี้เมื่อเราผิดศีลข้อหนึ่งจะงหวะศีลข้ อ, ข, อข้อที่หนึ่งปานาเนี่ยเราไปตบยุงซะศีลข้อที่สี่ข้อที่ห้าก็ไปด้วยกันทั้งหมด พราะว่าเรารับพร้อมกันนี่แหละคนโบราณเขาเจึงให้รับเป็นข้อข้อนะขอให้คณะสัตยา ญ, ญาติโยมได้รับทราบตามนี้มะยังพันเตนวิสูงวิสูงก็มะยังพันเตนติสรเนรัตสาหะมีความหมายมีความหมายอย่างที่หลวงพ่อได้อธิบายให้แก่คณะสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานได้ฟังนี่แหละอันนี้ก็คืออารัธนาศินจากนั้นหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำว่านะโบที ตามไม่จริงไม่ไม่ใช่หลวงพ่อให้ศนะีลนะหลวงพ่อเป็นผู้พาสมาทานศีลไม่ใช่หลวงพ่อให้ศีลถ้าหากว่าหลวงพ่อให้ศีลศีลหลวงพ่อมี2องร้ยยี่สิบเจ่ไหมละถ้าให้ให้หลวงให้คนละห้าละห้าอย่างนี้ยพวกเราบิตรเยอะแยะเอาไปมาหลวงพ่ออินเลยไม่มีศีลทีนีนเอเพราะเหตุไรเพราะหลวงพ่อให้พวกเราหมดแล้วอันนี้ไม่ใช่ อันนี้หลวงพ่อพาพวกเราสมาทานศีลพาสมาทานศีลห้าอันดับแรกก่อนที่จะมา ส, สมท า, านศีล น, นั้นหลวงพ่อจะเป็นผู้กล่าวนําว่านะโมสัก่อนนะโมตัสสะปะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแต่ถ้าว่าพวกเราได้เรียนได้ศึกษาพวกเราก็พอจะเข้าใจว่านะโมนั้นแปลว่าอะไรแต่ถ้าว่าพวกเกิดใหม่ใหญ่ทีหลังเนี่ยนะโมแปลว่าอะไรก็ไม่รู้นะโมแปลว่า ถ้าแปลเป็นภาษาไทยว่าข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกล่าวถึงสามครั้งเราทำไมจึงกล่าวเรารับศีลทำไมจึงกล่าวลำาลึกถึงพระพุทธเจ้าเพราะว่าศีลห้าที่เราจะสมาทานเนี่ยเป็นศีลของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติขึ้นเป็นผู้ประธานเอาไว้ให้พุทธรบริษัทอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้ สมาทานหรือว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามเพราะศีลหา้าเป็นศีลคุ้มครองโลกเพราะฉะนั้นเราพิจารณาตามธรรมคาสอนที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้เราเห็นด้วยว่าศีลหา้ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจรึงได้นอบน้อมก่อนที่จะสมาทานศีลหา้าเราจรึงนอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนอวันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมเรกพระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถึงสามครั้งจากนักพุทธทางธรรมังสังขังสรนังคฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเนอเพราะว่าเราพิจารณาดูแล้วว่าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์จริงเราจึงน้อมรับนับถือพระพุทธเจ้าเป็นต้นศาสนาเป็นต้นพระพุทธศาสนา แต่เราก็ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าทำมังสารนางคัจฉามิข้าพเจ้าขอนับถือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นสาระเป็นที่พึ่งสังขังสารนางคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้ารีดพระสงฆ์ในนำธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแผ่ให้แก่พวกเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาคือพระสงฆ์ล้วนแล้วจะเป็นผู้มีพระคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็น พระคุณเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งจากนั้นเราจึงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งทำมังและกระดูติยามปีขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่สองตาติยามปีพุทธทางธำมังสังขังขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่สเน อ, อันนี้คือพวกเราให้เข้าใจว่านโมก็ดีพุทธทางทำมังสังขังก็ดี พวกเรายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผู้มีพระคุณสำหรับเราจากนั้นหลวงพ่อจะเป็นผู้พานําสมาทานศีลเป็นข้อข้อทีปาณาติปาตาเวรมณีสิทธาปัทังสมาติยามิข้าพระเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าการฆ่ากันเราไปฆ่าเขาเขามาฆ่าเราเราไปฆ่าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาฆ่าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเรา เราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นศินของพระพุทธเจ้านบอกท่านบอกว่าอย่าฆ่ากันถ้าราคาเราไปฆ่าเขาเขาก็เสียใจฆ่าเขามาฆ่าเราเราก็เสียใจเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเอาหัวใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขานี่แหละสินข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธิาฐานนาเวรมณีอย่าไปขโมยของคนอื่นเขาถ้าเราไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจ ถ้าเขามาขาโมยข อ, ของเราก็เช่นเดียวกันเขาขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราไปเรียกฆ่าไทยเนี่ยเราเสียใจไหมถ้าเราไปเรียกไปขโมยพ่อแม่พี่น้องของเขาก็เหมือนกันเขาก็เสียใจเราไปขโมยสิ่งของเขารถเอเรื่องรถวัวควายสัตว์ม้าวัวควายหมูมาเป็ดไก่อะไรก็ตามทรัพย์สมบัติอะไรก็ตามถ้าเราไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจถ้ามาเขามาขโมยของเราเราเสียใจไหมเราก็เสียใจอันนี้แหละ อันนี้ก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาเช่นเดียวกันอันนี้คือศินข้อที่สองข้อที่สากาเมสุมิสาจาราเวรมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครเขาเคารพสวนห่วงแหนของเขาถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันอันนี้คือศินข้อที่สข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณี อย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเขาเราไปต้มตุนหลอกลวงโกหกเขาเขาก็เสียใจเพราะโกหกเขาอย่างเอาตะ ก, กัว อ, อย่างเนี้ยมาชุบให้เป็นทองแล้วก็บอกบอกว่านี่คือทองคําเขาก็ไม่รู้ว่าอันนี้คือทองคำเพราะเขาข้อความไว้เนื้อเชื่อใจแต่เดี๋ยวพอรู้ทีหลังเขาเสียใจไหมเขาก็เสียใจถ้าเขามาต้มตุนเราอย่างนั้นละ่ะเราเสียใจไหมเราก็เสียใจเพราะฉะนั้น ศีลของพระพุทธเจ้าถ้าสรุปลองแล้วก็คือเอาใจเขามาใจใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาเช่นเดียวกันปนั้นขอให้คณะสัทธาญติโยมลูกหลานทุกคนนะเรื่องศีลแธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ไกลพวกเราอยู่ใกล้ๆ ก, กับพวกเราและก็อศีลข้อที่5้าถึงสุราเมรยะมัชฌะปะมา่าการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทถ้าพวกเราดื่มสุราเข้าไปแล้วเออสุราคัญชายาฝิ่น เฮโรอินยาบ้ายามกโคเคนยาไออะไรทุกวันนี้มีมากแต่ทุกสิ่งทุกอย่างยาเหล่านั้นหรือสุราเหล่านั้นหรือเบียเหล่านั้นเมื่อเสพแล้วดื่มเข้าไปแล้วทำให้สมองของเราปั่นป่วนขาดสติเมื่อคนขาดสติแล้วทำความชั่วด้ทุกอย่างเมื่อคนขาดสติฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้ฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้ ลาล า, ลาลาบลาวงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้โกหกต้มตุนหลอกลวงใครก็ได้เพราะอะไรเพราะคนขาดสติเพราะนั้นศินข้อที่หเป็นศิทอันต ร, รายข้อหนึ่งอีกเหมือนกันเพราะท่านขอให้พี่น้องสตายญาติโยมศินและธรรมของพวกพวกุทธเจ้านี่ถ้าพวกเรานํามาพิจารณาการกลองไต่ตรองด้วยเหตุและผลแล้วสินธรรมนี่เป็นสมควรจะให้ใครเป็นผู้รักษาจะให้พระรักษาอย่างนั้นใช่ไหม จะให้ใครผู้ใดเป็นผู้รักษาทายกวัดเป็นผู้รักษาคนเดียวใช่ไหมเป็นหน้าที่ของพวกเรา ท, ทุกทุท่านถ้าพวกเราเห็นคุณค่าว่าเห็นคุณค่าว่าทุกโลกทุกวันนี้เดือดร้อนวุ่นวายเพราะคนไม่มีศินถ้าว่าทุกคนมีศินแล้วโลกจะสงบร่มเย็นเป็นถุกท่วนหน้ากันเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินที่หลวงพ่อได้กล่าวให้แก่พวกเราทั้งทั้งหลายได้ยินได้ศึกษาเนี่ย ในเมื่อเราได้ยินได้ศึกษาแล้วได้ฟังแล้วว่าเออศีลห้าของพระพุทธเจ้านะมีคุณค่ามีประโยชน์จริงอ้าวนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าคนหนึ่งจะรักษาศีลห้าทุกวันตลอดไปตลอดชีวิตเลยข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าทุกวันสเสาร์อาทิตย์และข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าทุกวันพระ อ, อ, อย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์คือให้นับหนึ่งจากข้าพเจ้า แต่คนอื่นไม่เห็นคุณค่าก็ไม่ว่ากันแต่ข้าพเจ้าพิจารณาดูแล้วเห็นคุณค่าของศีลธรรมของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะอันนี้ก็ขอให้พวกเรา ท, ทุกทุกท่านคณะสัตยาญาณโยมทุกๆคนเนอะพิจารณาดูซิว่าที่หลวงพ่อได้กล่าวให้ฟังเนี่ยศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรต่อชุมชนสังคม เพราะว่าศีลห้าเป็นศีลคุ้มครองโลกมาตั้งแต่ดึกดําบันพเพราะพระพุทธเจ้าประกาศว่าผู้ใดก็ตามถ้ามีศีลห้าแล้วผู้นั้นจะไม่ไปอบายยปูมิไม่ตกนรกไม่เกิดเป็นไม่ไปเป็นเปรตไม่เป็นสัตว์ที่ไร้ฉันไม่เป็นคนพิกลพิการถ้าว่าผู้มีศีลห้าอยู่ประจํากายวาจาแล้วเพราะฉะนั้นศีลห้าเนี่ย อ, อ, อย่างที่ท่านมวนน้วนศีลนวัดท้ายศีลว่าศีเลนะสุขติ ผู้จะมีสไปสู่สุกติได้เพราะสินสีเลนะโพก็สัมปทานผู้จะมีโพคะสมบัติได้เพราะสินสีเลนะนิพฺติยันติผู้ที่จะไปสู่นิพานได้เพราะสินเพราะนั้นเรื่องสินห้าไม่ใช่ของเล็กน้อยนะข้นะารชกาญาติโยมอตอนนี้ไปเมื่อพวกเรารู้คุณค่าของสินห้าแล้วตอนนี้ไปลวงพ่อจะเป็นผู้พานาสมมาทานสิน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 ปานิปัญจะสิก้าปทานิสิเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสิเลนานิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยเออ ตอนนี้ไปตั้งใจฟังธรรมหลวงพ่อจะได้แสดงธรรมก่อนที่จะแสดงธรรมขอให้ศรัทธาญาติโยมอยู่ในความสงบตอนนี้ไปตั้งใจฟังธรรมหลวงพ่อจะแสดงธรรมหรือว่ากล่าวสมโมธชนิยกถาขอให้คณะศรัทธาญาติโยมฟังถ้าฟังด้วยดีก็จะเกิดสติปัญญาเกิดแนวความคิด ถ้าว่าพวกเราไม่ตั้งใจฟังถ้าผู้ใดก็ตามไม่อยากจะฟังไม่อยากจะฟังเทศก็ให้ออกจากบริเวณนี้ไปคุยกันที่อื่นได้ถ้าากว่าอยู่ตรงนี้เป็นสถานที่ฟังธรรมเราต้องอยู่ในความสงบอย่าไปคุยกันและก็โทรศัพท์ถ้ามีโทรศัพท์ถ้าเสียงแปลกๆ ก, ก็ให้ปิดโทรศัพท์ไว้ก่อนนะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงฟังธรรมไม่ใช่ ถ้าว่าเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นก็อย่ามาคุยกันตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นสถานที่ฟังธรรมและก็พร้อมกันอย่าถ่ายรูปขณะที่หลวงพ่อกำลังพูดห้ามถ่ายรูปที่มีแฟดพอถ่ายรูปพอไปแล้วหลวงพ่อเป็นพระป่าผ้าดงเวลาถ่ายรูปเข้าไปแล้วเสียงหลวงพ่อรือว่าหลวงพ่อเนี่ยแปรไปเลยนะเพราะว่าเสียสมาธิในการในการเทศเพราะการเทศไม่ใช่ว่าเราอ่านตารามาพูด การเทศรืหว่างการแสดงธรรมเอามาจากด้านจิตใจเห็นไหมหลวงพ่อกำลังกําลังแสดงธรรมหลวงพ่อหลับตานะหลวงพ่อไม่ได้ลืมตาเพราะเหตุไรเพราะเอาใจออกมาพูดเพราะฉนั้นขอให้คณะสัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่าที่ฟังธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์จะเป็นองค์ไหนก็ตามที่เป็นพระกรรมฐานแล้วเป็นพระป่าแล้วขอให้อยู่ในความสงบถ้าว่าพวกเราอยากจะคุยกันกัอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว เพราะสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่สถานที่คุยกันเป็นสถานที่ฟังเพราะนั้นเราต้องตั้งใจฟังถ้าเราไม่อยากใจฟังออกจากที่นี้ไปคุยกันที่อื่น เ, เราเป็นผู้ได้รับการศึกษาดีแล้วให้รู้จักการสถานที่บุคคลการคื อ, คอการเช่นนี้เราอยู่อย่างนี้เราควรจะทำตนอย่างไรสถานที่อย่างนี้เราไม่ใช่สถานที่คุยกันเป็นสถานที่ฟัง บุคคลเช่นนี้เมื่อเข้ามาหาควรปฏิบัติตนอย่างไรนี่แหละเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายจะต้องศึกษาถ้าว่าพวกเราตั้งใจศึกษาแล้วตั้งใจฟังแล้วผู้ฟังทำย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ทาความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตใจของผู้ฟังก็จะได้รับความผ่องใส อันนี้แหละทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสเอาไว้ถ้าเราทุกคนเลยสิเกิดมาแล้วไม่ได้ยินได้ฟังจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้อย่างไรถ้าเราไม่ได้ยินเสียงธรรมะครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนพวกเราจะรู้ได้อย่างไงอย่างเมื่อกี้เนี่ยหลวงพ่อได้อธิบายเรื่องศีลห้าแก่พวกเราท่านทั้งหลายฟังถ้าพวกเรายังไม่เคยได้ยินโอ้เราก็ไม่เคยได้ยินคุณค่าของศีลห้านี่นี่เป็นอย่างนี้พวกเราก็จะได้รู้อะไรศึกษา เป็นรถแนวทางแต่เมื่อได้ยินอีกครั้งต่อไปครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนอีกครั้งต่อไปพวกเราก็จะเข้าใจชัดขึ้นเออเมื่อได้ยินคราวนั้นหลวงพ่ออินไดออ้ได้พูดให้เราฟังแล้วแต่เราเขายังไม่เข้าใจชัดแต่คราวนี้ชัดขึ้นออนี่แหละนี่แหล ะ, หละการอาศัยการได้ยินได้ฟังในหลักธรรมคาสอนว่าสุดตรมายะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟัง เ, ออเมื่อเราไม่ได้ยินได้ฟังเราจะเฉลียวฉลาดได้ยังไง จินตามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมานั้นออมีเหตุมีผลอย่างไรไม่ใช่ว่าท่านพูดอะไรก็เชื่อทั้งหมดไม่ใช่เราต้องนำมาคิดมาพิจารณาการกรองไตรตองอีกครั้งหนึ่งมีเหตุมีผลไหมที่ท่านพูดที่ท่านแสดงให้ฟังนี้ อ, อันนี้ว่าจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาทาจิตใจให้สงบจิตใจให้นิ่งออจิตใจให้นิ่ง ผ่านความสงบแล้วนํามากันกรองไตรตรองเหตุและผลอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือปัญญาในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านให้ทําอย่างนี้ก่อนที่จะพิจารณาอะไรต้องทําจิตใจให้สงบซะก่อนผ่านความสงบซะก่อนจึงจะรู้แจ้งเห็นจริง อ, อย่างที่แท้จริงเนะพราะนั้นภาวนามายปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบซะก่อนเพราฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่ททานนะ โอกาสนี้เป็นโอกาสฟังธรรมหาฟังได้ยากนะไม่ใช่ว่าเราจะฟังทั้งวีทั้งวันเราหวังฟังร้องล้ำทำเพลงนะพอฟังหาฟังได้นะแต่ทุกวันนี้ก็ยังดีอยู่เพราะว่ามีสถานีวิทยุของหลวงตาท่านแสดงธรรมพวกเราก็ได้ยินได้ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาแสดงธรรมพอเปิดไปสถานีวิทยุเราก็ฟังแต่มาครั้งนี้มาเป็นการเฉพาะหน้าเป็นการเทศสดหรือว่าพูดสดทำกลาวธรรมโอนิยกถาสด ให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยิงขอหาฟังได้ยากเหมือนกันนะคณะสัตยาธิโยมเอาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นองค์แสดงธรรมนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อนิจจาวตสังขาราอุปาดาวะยธรรมมิโนอุปชิตวานิรุษชันติขยวายธรรมมาสังขาราอัปปมาเดนะสัมปาเดทาติติวันนี้เป็นวันชาปนากิจกำหนดการชาปนากิจศพคุณยายทองสุขอนุมาต วันนี้ตรงกับวันที่ส1สิบอสิงหาคมพุทธศักราช2555ห้าสิบห้าแต่หลวงพ่อไม่รู้จักลูกของคุณยาย เ, เขาคงคณะกรรมการจัดงานหรือว่าผู้ที่จัดงานคงจะอ่านประวัติของคุณยายให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาต่อไปแต่หลวงพ่อมาในนามค ร, ครั้งนี้ก็คือมาในนาม หลวงพ่อบุญหลายที่เป็นเจ้าอาวาสที่เป็นลูกชายของท่านหลวงพ่อบุญหลายก็รู้จักกับหลวงพ่อตั้งแต่นู้นสมัยอยู่น้ำโสมอยู่กับหลวงปู่เต็มในบ้านโคกสาครหลวงพ่อก็ไปตั้งวัดอยู่แถวนั้นอำเภอนายูน้ำโสมตะกอนขึ้นต่อน้ำโสมแต่ต่อมาท่านก็ได้ย้ายมาสร้างวัดอยู่ที่นี่วัดถ้ำภูมิดนหลวงพ่อทราบข่าว มีพระนิมน์หลวงพ่อก็เด้เ อ, อไม่ได้มาวัดของหลวงพ่อหลายออไม่ได้เคยมาเลยอันนี้เป็นครั้งแรกเพราะนั้นหลวงพ่อจะได้ออกจากวัดก็ได้เดินทางมามาร่วมงานเพื่ อ, อ, อชาปนากิจของคุณยายทองสุขอนุมาพในวันนี้นะออแต่หลวงพ่อบุญหลายของเราเออท่านก็มีน้ําใจ อ, อ, อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น พอมาเห็นคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานแล้วก็เออหลวงพ่อบุญหลายเป็นผู้กว้างขวางเป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่องค์หนึ่งที่มาเห็นพี่น้องศรัทธาญาติโยมลูกหลานให้ความเคารพนับถื อ, เ, อเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อจึงท่านกนิมนต์หลวงพ่อขึ้นมาเป็นองค์แสดงธรรมหลวงพ่อก็เอาเงื่อนแสดงธรรมก็กว่ากันไปแต่หลวงพ่อเอง ไม่ใช่พระนักเทศนักธรรมอะไรนะยตายาติโยมนะนักเทศจําเป็นถ้าว่ามีความถ้าไม่มีใครองค์แสดงธรรมหลวงพ่อเกิดขึ้นได้ถ้ามีองค์ครูบาอาจารย์ขึ้นมาต่อนนิมนต์ครูบาอาจารย์แต่วันนี้หลวงพ่อก็เห็นหลวงปู่พุนมามาเหมือนกันนะก่อนนิมนต์หลวงปู่น้าเทศตรงพ่อก็ว่าอย่างนั้นเขว่าเออหลวงปู่เทศมานานแล้วเถ้าเห็นหลวงหลวงปู่อยู่ที่นี่นะหลวงพ่อก็จะให้ท่านเทศแหละแต่นี้หลวงพ่อมาก็ไม่เห็นท่านค่อนขๆคงจะหลบไปอยู่ที่อื่นก่อนมั้ง หลวงพ่อก็เลยได้เป็นองค์ขึ้นมาเป็นองค์แสดงธรรมนะเวันนี้ถือว่าหลวงพ่อจะได้กล่าวอะไรให้คณะัทธาญาติโยมได้ฟังเพื่อการศึกษาวันนี้ก็ชาปนากิจของพวกเราท่านอาจารย์บุญหลายที่โยมมารดาของท่านที่ได้จากไปพวกเราก็ได้มา ช่วยมาร่วมกันชาพนั ก, กจิจนี่แหละทุกวันนี้เมื่อวานนี้หลวงพ่อก็ไปนู่นไปหนองคายาก็ไปชาวพน ก, กิจผู้ที่สูงอายุเหมือนกันเตดหลวงรับดับคันไปดูๆแล้วก็หลวงพ่อขึ้นมาอยู่จุดนี้อ า, อายุถึงขนาดนี้ศรัทธาญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องเดี๋ยวก็คนนั้น ร่วงโอยลงไปเดี๋ยวคนนี้ลงนั้นก็ร่องลอยลงไปตามอายุสังขารแต่พวกเราท่านทั้งหลายในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกกล่าวเอาไว้ว่าขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาท เ, าเพราะว่าพวกเรามาเกิดทุกคนเนี่ยต่างคนก็ต่างร อ, อวีซ่ า, อาพอมาเกิดแล้วเขาก็เขียนวีซ่าเตรียมเอาไว้ บอกเออต่อไปนะท่านทางหลายไปซะไปเกิดไปอยู่ไปสร้างสังสมบารามีเนะอีกสักวันหนึ่งเมื่อวีซ่าไปถึงจะได้เดินทางกลับต่างประเทศนี่แหละยมมาโทษเขาเตรียมไปแล้วอีกสักวันหนึ่งไม่ว่าวันไหนละต่อมาก็พวกเราก็จะได้รับวีซา่าจากยมมาโูดแล้วก็พวกเราจะได้เดินทางกลับ เดี๋ยวนี้คุณยายทองสุขของพวกเราก็เดินทางกลับต่างประเทศแล้วเพราะถ้าทำมาทามาค้าขายมาสร้างบุญสร้างกุศลท่านได้สร้างสมบุญกุศลอย่างไรคุณแม่ทองสุขคุณยายทองสุขเป็นรู้เป็นผู้รู้ยิ่งกว่าใครทั้งหมดได้ทำอะไรเอาไว้ เ, เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายยังมีชีวิตอยู่ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายสังสมคุณงามความดีเอาไว้ อย่าตั้งอย่ในความประมาทอย่างองหลวงตามหาบัวท่านพวกเรากคงจะเคยได้ยินท่านว่าพวกเราติดตามทำคาสอนของท่านท่านบอกว่าเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ย อ, อ, อย่ามาอย่าอย่าเอาพระมากุศลาให้เรานะ อ, อ, อย่ามากุศลาให้เราเรากุศลาเอาเองแล้วเราทำเอาเองแล้วสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีเราทำพอแล้ว เ, เราไม่ต้องการให้ใครมาทำให้กับเราอีกแล้ว อันนี้คือท่านยืนยันท่านประกาศให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาว่าท่านคือพระรหันเต็มแล้วบริบูรณ์แล้วก็ท่านก็แนะนําสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายอีกเหมือนกันพระว่พวกท่านทั้งหลายผูเจ้าทั้งหลายก็เหมือนกันมาเกิดมาแล้วพบพระพุทธศาสนาและให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทแ ล, แล้วก็สิ่งไหนจะเป็นคุณงามความดีให้เตรียมเอาไว้ให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ ให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเอาไว้เมื่อตายไปแล้วไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครไม่ใช่ว่าข้าตายไปแล้วให้สู้เจ้าทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ข้านะให้ทำกองกรินกองใหญ่ๆผ้าปลาด้วยนะสร้างกุฏิศาลาให้ข้านะอย่าไปคิดให้เมื่อเราเกิดมาพบพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ถ้าไม่มีอะไรถ้าเราไม่มีเงินคําทรัพย์สมบัติ การทำบุญสร้างทำได้หลายทางรักษาศีลก่อชันั่งภาวนาก่อช่ไหว้พระสวดมนต์ก็ใช่ประกอบคุณงามความดีอย่างอื่นเกาเคารบพ่อแม่ววยวุฒิคนนวุฒก็ใชัยช่วยสาธารณประโยชน์ช่วยเลี้ยวช่วยแรงช่วยสติปัญญาต่อส า, สาธารณประโยชน์ก็ใช่ล้วนแล้วจะเป็นคุณงามความดีล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลทางนั้นเพราะนั้น การสร้างบุญสร้างกุศลให้สั่งสมเอาไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทไม่ใช่ว่าเราเกิดมาแล้วไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีอะไรเมื่อเราจะจากโลกนี้ไปเรามองหาคุณงามความดีของตนเองไม่พบไม่เจอไม่รู้ว่าเราได้สร้างอะไรเอาไว้น่แหละอันนั้นะเมื่อถึงคราวจวนเจียนมรณะภัยเข้ามาถึงเราจะพะวักพวลน เพราะมองหาความคุณงามความดีของตนเองไม่ได้เพราเหตุไรเบาะไม่เคยสังสมคุณงามความดีและก็ไม่เคยคิดว่าตายแล้วเกิดอีกต่างหากที่ว่าตายแล้วศูนย์แต่ตามไม่จริงไม่ศูนย์นะคณะสัตยายาติโยมนะตายแล้วเกิดอีกแน่นอนเพราะเหตุไรให้พวกเราศึกษาในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าศึกษาดูแล้วท่านได้นำธรรมคําสอนออกมาประกาศเผยแผ่ให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ศึกษา จากนั้นก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของเราหลวงปู่หลวงตาของพวกเราท่านก็แนะนําสั่งสอนว่าตายแล้วไม่สูญนะวิธีฟิฟสพีสูทําอย่างไรท่านก็บอกพระพุทธเจา้าท่านพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าก็บอกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราท่านก็นำธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวอีกทีหนึง่งเวลาอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญนะ่ะตายแล้วเกิดน่ะให้นั่งภาวนาเนาะ นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเมื่อจิตใจใจของเราอยู่ในปลายจมูกจิตไม่ส่งไปอดีตจิตใจไม่ส่งไปในอนาคตใจอยู่ในปัจจุบันจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่ง เมื่อจ right, right ิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจอาศัยกันอยู่ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันหลวงพ่อเปรียบเทียบว่ารถกับเหมือนกับคนขับรถร่างกายเหมือนกับรถส่วนจิตใจนั่งเหมือนกับคนขับรถอาศัยกันอยู่ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าตัวคนขับรถนั่นแหละออกจากรถเมื่อรถตัวนี้ทุบพลลภาพแล้วหมดสภาพแล้ว ใจดวงนั้นออกจากรถแต่ร่างกายมีป่าช้าแต่ว่าใจดวงนั้นไม่มีป่าช้าออกจากร่างนี้ไปเกิดในสถานที่ต่างๆได้ไปเกิดถ้าว่าผู้ใดทําจิตใจให้บริสุทธิห์หลุดพ้นก็เป็นพระอรหันถ้าไม่หลุดพ้นกับเป็นพระอนาคามีพระสักทากามีพระโสดาบันหรือเป็น เ, เป็นคนก็จริงอยู่แต่เป็นผู้มีบุญมีกุศลก็ไปเกิดในชั้นพรมสวรรค์แต่ละชั้น ถ้าว่ามีคนมีบุญน้อยกว่านั้นลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้าว่ามีน้อยกว่านั้นกับเป็นมนุษย์ธรรมรรดาถ้าว่าน้อยกว่านั้นลงมาอีก เ, ออเกิดมาก็ไม่สมบูรณ์เลยแต่พอได้เกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นเองหูหนวกตาบอดบ้าใบามีต่างเยอะแยะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นพอแต่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้น ถ้าต่ำกว่านั้นลงไปก็ไปเกิดเป็นสัตว์ดิบฉานช้างมา้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่เป็นได้ทางนั้นเพราะนั้นพรายไรเพราะว่าเราไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเพราะนั้นขอให้พวกเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ขอให้พวกเราศึกษาและก็นำมาประพฤติปฏิบัติถ้าว่าพวกเราปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าว พวกเราท่านทั้งหลายจะรู้จะเห็นด้วยตนเองตายแล้วไม่สูญแน่ๆตายแล้วเกิดอีกเพราะสิ่งที่ไปเกิดนี่คือใจใจนั่นแหละพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญอย่างมากท่านจึงยกเป็นพุทธภาสิทธว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละใจอยู่ในจิตใจแต่มองไม่เห็นนะคณะสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานนะพวกเรามองไม่เห็นอกใจ แต่คือนามธรรมแต่ร่างกายไดี่มองเห็นกันแต่จิตใจนั้นมองไม่เห็นเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายใให้เชื่อฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่หลบข้อได้กล่าวอีกสักวันหนึ่งข้างหน้า เ, เมื่อยมปทะทุถึงกำหนดแล้ว เ, เขาจะส่งวีซ่าให้มาพวกเราจะเดินทางไปต่างประเทศนะถึงก่อนที่พวกเราจะเดินทางไปต่างประเทศนั่นนะเรามีเงินมีเงินติดกระเป๋าไปด้วยหรือเปล่า เงินคืออะไรก็คื อ, คอบุญถ้าคนมีบุญติดจิตติดใจไปแล้วไปนะักสถานที่ใดมีแต่ความสงบพร่มเย็นเป็นสุขเออถ้าว่าเราออกจากมนุษย์แล้วเรามีบุญเราจะไปเกิดเป็นมนุษย์ที่ไหนจะได้บำเพ็ญกุศลไปเกิดที่ไหนบ้านไหนตระกูลไหนเราก็พร้อมที่จะไปเกิดได้ถ้าว่าเราโอ้มีบุญมากกว่านะั้นเราไปพักผ่อนซะก่อนก็ไปอยู่สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่ง พรมพรมชั้นใดชั้นหนึ่งไปพักผ่อนซะก่อนจนศาสนาพ ร, ระศิริอริยะเมตไตรลงมาตรัดพวกเราก็มาเกิดกับพระองค์ท่านก็ได้บําเพ็ญบุญกุศลต่อไปนี่แหละคนมีบุญเลือกเกิดได้ไปเกิดได้เลือกเกิดที่ไหนก็ได้เพราะคนมีบุญเหมือนกับคนมีเงินเราจะไปประเทศไหนก็ไปได้ถ้าคนมีเงินจะไปปร ะ, ประเทศลาวจะไปคมัมเบนฮ่องกงญี่ปุน่นเกาหลีไต้หวันไปได้ทั้งนั้น อังกฤษอเมริกาทั่วโลกรอบไม่รู้กี่โลกเพราะว่าเหตุไรเพราะเรามีเงินถ้าคนไม่มีเงินไปที่ไหนก็ไม่ได้นะักทายญาติโยมออกจากหมู่บ้านก็ไม่ได้เพราะไม่มีเงินออกไปแล้วไม่รู้จะอยู่จะกินอย่างไรเนี่ยเพราะเหตุเพราะมีมีเงินเพราะนั้นการสั่งสมบุญนําสุกมาให้ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจสรุปแล้วคือคือตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีก ตายแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นพวกเราเกิดมาเห็นไหมปู่ย่าตายายวงสาคณนายาตพวกเราไปไหนหมดมรณงเมพาวิจติธรรมนี้ให้ลำลึกไว้อยู่เสม อ, อ, อถ้าเราคิดอยู่เสมอแล้วเราจะไม่หลงละเลงในการเป็นอยู่ของเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าในพรรษานีนะ้เดี๋ยวนี้กำลังอยู่กลางพรรษาอีกวันพุ่งนี้นะเดือนหนึ่งพอดี เออสิเดือนหนึ่ง เ, เข้าพรรษามาอ่าแล้วก็ให้พวกเราดูสิว่าในพรรษานี่เราได้ทําอะไรไว้บ้างเรารักษาศีลกี่ครั้งเราศึกษาศีลห้ากี่วันเราศึกษาศีลอุโบสถกี่วัน เ, เราได้ให้ทานเราได้ไหว้พระกี่วันเราดึงดอาวายยมุกไหมเราได้งดเหล่าใ น, นงดบุรีไหม เป็นเครื่องเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของพวกเราพุทธศาสนิกชนทุกหมู่ทุกเหล่าจะต้องได้คิดน ะ, เ, ะเพราะว่าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าตายแล้วไม่สูนนี่แหละถ้าตายแล้วศูนย์ไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดอะไรแต่ตายแล้วไม่ศูนเนี่ยตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะท่านไปค้นคว้าศึกษาดูแล้วเนี่ยนี่แหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเยินยันอีกต่างหากนะหลวงปู่ลงตาไปถามด้วยสิ ถามหลวงพ่ออินนี่ก่ถามเถอะหลวงพ่ออินตายแล้วเกิดได้ตายด้วยหลวงพ่อจะตอบทันทีเลยตายแล้วเกิดอีกแน่นอนนะลูกหลานศรัทธาญาติโยมนะหลวงพ่อจะเออะไรเป็นเครื่องพิสูจน์นั่นละนั่งภาวนาเนอะถ้านั่งภาวนาจิตใจสงบรวมลงเป็นหนึ่งหนึ่งแล้วไม่ต้องถามมาถามหลวงพ่อดอกถามตัวเองรู้มั่นใจไม่ใช่ร100้อยเปเซเอซตายแล้วเกิดนะเมื่อเรารู้สึกว่าเรารู้ว่าตายแล้วเกิดเรา ก, ก็ไม่ตั้งอยู่ในความประมาท แต่สิ่งไหนจะเป็นคุณงามความดีพวกเราควรจะทําสิ่งนั้นจเจริญสิ่งนั้นทําบุญกุศลให้มากจเจริญให้มากจะตั้งอยู่ในความประมาทเพราะชีวิตของพวกเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนกรรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะคณะสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานนะทำกรรมสิ่งไหนที่มันไม่ดีกรรมนั้นจะตามติดตามไปถ้าว่าเราทรรํากรรมชั่วกรรมชั่วกะจิตติดตามใจของเราไป อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ า, ากมัมมมนีนาวัตตีโลโกโลสัตว์โลกจอมเป็นไปตามกรรมจําเป็นไปตามกรรมอกตังลุ ก, กตังเสยโยปัชชาตะปฏิทุ ก, กตังกรรมชั่วจะทําเสียเลยดีกว่าเมื่อทํากรรมชั่วและกรรมชั่วจะให้ผลติดตามเมื่อภายหลังนี่แหละอันนี้ก็ขอให้พวกเราทุกๆุกท่านนะให้สั่งสมคุณงามความดี ในครั้งพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธการพระพุทธองค์ได้พูดถึงปารลถึงนางปตาจารานนางปตาจาราเนี่เป็นลูกของเศรษฐีเนีเป็นลูกเศรษฐีและแต่งงานกับคนคนใช้ในบ้านและกระหลบหนีไปอยู่ในป่าเพราะลูกเขยคนใช้เนี่ยกลัวเขาจะทําร้ายทำลายแต่ทําไมจึงเกิดอย่างนั้นทําไมจึงเป็นอย่างนั้น เขคงจะเกี่ยวกับบุญวานสนาบารมีนี่แหละอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมารักษาศีลเนี่ยนะแม่บ้านก็เป็นผู้มารักษาศีลมาภาวนามาปฏิบัติรักษาศีลอุโบสถแต่สามีน่ยนุ่นไปหาตุ๊กห า, ข, าข่าปูข่าปลาเล่นไพ่ไฮโลกินเหล้าเมายาไปสนามกงสนามก็ไปเรืเอ่อยไม่ได้สนใจวัดวาศาสานาแต่ท่นี่พอตายไปแล้วนี่ ผู้ที่สร้างบุญสร้างกุศลก็ไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีล่ะเจนี่แต่พ่อบ้านเถตายแล้วไ ป, ไปเกิดเป็นคนใช้ท่นี่คนคนไม่มีวาสนาคนมาเป็นคนงานในบ้านเศรษฐีแต่ว่าบุญบา ร, รมีของคนสองคนนี่ทั้งลูกเศรษฐีก็ดีทั้งคนใช้ในบ้านเศรษฐีก็ดีแต่เรามองเดินแล้วมันห่างเหินกันมากหน้าที่ตำแหน่ง เรียกว่าการเป็นอยู่คนหนึ่งเป็นลูกเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนงานนะแต่ถึงยังไงได้นะในอดีตชาตินะเคยเคยเป็นคู่สามีภรรยากันมาก่อนแต่ว่ามาชาติทีแล้วเนะี่ยสามีก็อย่างที่ว่านะกินเหล้าเมายาจาเลทีเม า, าไปเรื่อยแต่แม่บ้านก็มารักษาศีลไหว้พระสวดมนต์ให้ทานรักษาศีลภาวนาแต่เด็กไปเกิดก็ไปเกิดต่างกันอีกสภรรยาก็ไปเกิดเป็นลูกเศรษฐี ผู้สามีก็มาเกิดเป็นคนงานคนงานก็มาทำงานในบ้านเศรษฐีแต่นี้พ อ, อลูกสาวเศรษฐีเห็นคนงานทนี่ทั้งที่เราเห็นแล้วไม่พึงปรารถนาลนะคนทั้งหลายเห็นแต่ว่าลูกเศรษฐีเห็นนะมันปิ๊งใ น, ในใจว่างเถอะเพราะเหตุไรเพราะมันเป็นคู่บา ร, รมีกันในอดีตชาติ เ, เคยสังสมมาด้วยกันในอดีตชาติอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะ สามีภรรยาของใครเขาก็รักของเขาแต่ว่าการสังสมบุญกุศลนั้นมันต่างกันจากนั้นเขาได้ออกหนีออกจากบ้านไปอยู่ในป่าไปอยู่ตามลําพังไปทำมาหาเลี้ยงชีพพอต่อมาเองทีพอได้ลูกลูกคนแรกตั้งครรภ์ลูกคนแร ก, ก, แรกผู้หญิงพอลูกสาวเศรษฐีโอ้ถ้านเราคลอดลูกที่นี่เราจะพึ่งพาอาศัยใคร เพราะมมีแต่สามีก็อย่างเนี้ยทรัพสมบัติอย่างอื่นก็ไม่มีถ้าหาว่าเราคลอดลูกที่นี่เราจะทํำยังไงเราจะกลับบ้านสามีโอ้จะไปกลับไปเถอะถ้ากลับไปนี่ยพ่อตาแม่ยายวงศาคณนายาตเขาคงจะเล่นงานผมแล้ววะจากนั้นเขากดขอร้องขอร้องกดขโมยหนี้เนี่ยขโมยหนีก็สามีกดมาจากทําการทํางานในป่าก็วิ่งตามมาก็ถึงครึ่งทางเออ พันรยาก็คลอดผุดครึ่งทางแล้วก็พากันกลับไปหาที่พักอีกพอต่อมาอีกมีลูกคนที่สอง อ, อีก อ, ออกมาอีกทานีทั้งแม่บ้านก็ได้อุ้มลูกคนเล็กและก็ลูกคนที่สองอยู่ในท้องพอมาถึงครึ่งทางหนีอกนีกหนีจากบ้านอีกพ่อบ้านก็วิ่งตามมาอีกพอมาถึงครึ่งทาง ม, มันพบค่ำพอดีท่นีพอพบค่ำพอดีฝนก็จะตกเมียก็จะออกลูกท่นี่พอในสุดก็ พ่อผัวเนี่ก็ไปหาใบไม้มาลองให้ลูกให้เมียนั่งพอเดินสุ่มซ้ำเข้าไปในป่าไอ้งูจงอางมาอยู่ในจอมปลวกน่ยมาเห็นคมมันจะกกไข่อยู่มั้งมันก็ฉกกัดกัดเอาเออแฟนของหญิงนั่นลหละที่เป็นแฟน เ, นเป็นผู้ชา ย, ยล้มตายอยู่ในที่นั้นเลยเพราะพิษงูมันร้ายกาดนะพิษจงอางน่ะ แต่นีนางอันนี้ก็คลอดลูกทีนีคลอดลูกคอยสามีก็ไม่เห็นคอยคลอดลูกเพราะว่ากิ่งไม้เขาคงจะตัดมารองไว้ช่วงหนึ่งจากนั้นนางนี่ก็เหมือนกับหมานะท่านนีอหมาคล้ายๆว่าค่อมลูกเอาไว้ลูกตัวเล็กๆตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็เพิ่งเกิดใหม่อีกทีนีลูกลูกสองคนนะ่ะจนถึงสว่างพอถึงสว่างขึ้นมาแล้วทีนี่เออเออทำไมไม่เห็นสามีเข้าเดินเข้าไปใน ในตรงนี้แหละทำไมไม่เห็นออกมานางก็เดินเข้าไปที่ไหนได้โอ้นอนตายเออนอนตายโตเหลืองละ่ะบดแล้วเอ่อพอเห็นอะไรพ่องูจงงูงูกัดองูอสรพิษกัดนหะจากนั้นนางก็ได้ลูกสองคนลูกน้อยสองคนเนี่ยคนหนึ่งอุ้มกระเตงคนละข้างกันเนเออนางปตายจะราก็เป็นทุกข์แต่ทีนี้พอเห็นสามีตายนี่พอสามีตายก็เป็นทุกข์ในใจเลยทีนี้โอ้ถ้าเรา ไม่หนีจากบ้านมาอย่างนี้สามีของเราก็คงจะไม่ตายเอ่แต่นี้เราออกมาอยา่างนี้สามีเขามาตายตายเพราะเราแท้ๆหนอนี่สิ่งเหล่านี้นางก็ได้คิดเต็มหัวใจอีกเหมือนกันจากนั้นเดินมาถึงแม่น้ํอาอเจรวดีเถอเเพะพอมาเห็นแม่น้ํอาอัเจรวดี เ, เป็นแม่น้ํามืนกว้างตื้นมันมองหรมันสุดเกือบสุดสายตาน่ะนางก็ไม่มั่นใจเพราะฝนตกทั้งคืนน้ำน้ำมันก็กระเจิงเอ้ถ้าว่าเราจะเอาเอาเอาลูกไปทั้งสองคนเนี่ย เราจะเอาไปไหวไหมเนี่ก็เลยนางก็เลยเอาลูกลูกชายที่เกิดก่อนเออบอกว่าไอ้หนไอ้น้อยนั่งอยู่ที่นี่นะนอคอยแม่นะลูกนะเดี๋ยวแม่จะเอาลูกเอาน้องไปไว้ทางนู้นก่อนลูกเพ่เกิดเมื่อคืนนี่นะเออนางก็ให้ลูกชายคนคนเกิดก่อนอยู่อีกฝั่งหนึ่งนางก็อุ้มลูกคนที่สองไปอีกฝั่งหนึ่งจากนั้นนางก็อุ้มไปพอไปถึงแล้วก็ไปวาง ไปวางลูกคนที่เกิดใหม่ฝั่งโน้นเลยก็จะย้อนกลับมาเอาลูกชายคนที่เกิดหัวปีฝนะั่งนี้พอมาเดิน ม, มาถึงฝั่งแม่น้ำกลางแม่น้ำพอมาถึงกลางแม่น้ำเท่านั้นแหละไอเยี่ยวเนะี่ยเยี่ยวตัวใหญ่ๆนะมันบินมาทาอากาศมันมาเห็นไอเด็กไอตัวที่แดงๆเนะน่ะ ม, มันเหมือนมันเหมือนกับชิ้นเนื้อใช่ไหมละ่ะมันดินกะแนวกรแนวกะแนวอยู่นั่นนะอ่ะไอ เหี่ยงตอนแรกกับินโฉบลงมาเลยเ อ, อมาโฉบเพราะจะขยุ่มเอาลูกของของนางปัตตาจาราดนางปัตตาจารายืนอยู่กลางน้ําใช่ไหมอยู่ในครึ่งน้ําพอดีจะวิ่งไปทางโน้นก่อนหจะวิ่งมาทางนี้ก็อนหยมีตะลองบอกมือตอบมือกันหนเอยเลี้ยงบอกไวอเย้าเยา้ย า, ยาใครเขาบอกให้เหวี่ยวมันกลัวนะเหวี่ยวมันก็อยู่ห่างไกลใช่ไหมเหวี่ยวมันก็โฉบออพอโฉบ เอาเด็กไปแหมขยุ่มเอาเด็กไปเอาไปในอากาศมเดี่ยวมันตัวใหญ่แต่นี้ เ, เด็กตัวอยู่ข้างนี้ที่ลูกชายที่เกิดก่อนเนี่ยเห็นว่าแม่ร้องทีนี้มันก็ไม่รู้จะอาอันนั้นคือน้ํเพราะมันเกิดอยู่ในป่าดงพงไพเนี่ยไม่รู้ว่าแม่แม่เรียกใครมันก็วิ่งลงไปเรียกวิ่งไปหาแม่ใช่ไหมแม่อยู่กลางน้ําวิ่งลงไปก็จุมลงไปในน้ําก่อนน้ำก็พัดไปอีกแต่นางก็เลย วิ่งออกมาหาลูกชายทางนี้ก็ไม่เจอทางโน้นก็เอี่ยวออกไปกินพวกเราคิดดูซิว่าหัวใจแม่จะเป็นยังไงในช่วงนั้น น, ะนี่แหละอันนี้คือความทุกข์ถึงมรณะภัยคือความตายทุกในสามีแล้วอย่างไรแล้วมาทุกข์ถึงลูกอีกสองคนอีกแต่เนี้พอลูกทั้งสองคนหายไปแล้วไม่รู้จะตามไปยังไงนางก็เดินมาอีกเดินมามาเห็นพ่อค้าเกวียนออกมาจากกรุงสวัสดี บอกว่าเอ อ, เ อ, อพวกท่านทั้งหลายรู้จักไหมบ้านพ่อของข้าออตรงนั้นตรงนี้ เ, ออเขาหวอกเอา้าจะถามหาทำไมแหะเมื่อคืนนี่นะฝนตกถลม่มนะบ้านหลังนั้น่ะบ้านของเศรษฐีชื่อนั้นนะถลม่มลูกก็ตายเมียก็ตายลูกชายก็ตายตายหมดในบ้านหลังนั้นเพราะตึกถลม่มพอนางได้ยินเท่านั้นแหละนางก็เสียใจอย่างมากเลยนี่ หลงสติเลยขาดสติไม่ใช่หลงสติขาดสติสติขาดกระจุยเลยเนี่ยพอคิดว่ามีความถึงยังไงยังไงก็คิดว่าจะกลับไปพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งพี่นะแต่นี้พ่อแม่พี่ก็ตายใชแล้วนางจะพึ่งใครสินี่พอในส่วนก็นเลยผ้าหลุดลุย่ยออกจากร่างกายไม่รู้สึกตัวเลยนางก็วิ่งกระเจิเจงไปตามปภาษีภาษาคนขาดสติไปถึงหน้าวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารเลย พอเห็นหน้าวัดป่าเชตวันนางก็ไม่รู้ว่านี่คือสถานที่แห่งใรนางก็เข้าไปในในชุมชนเขากําลังฟังเทศฟังธรรมอย่างพวกเราท่านทั้งหลายักนั่งฟังอยู่เดียวนี้นี่ยเดินเกินางป่ตาจาราทงเทงเข้ามาเหไม่มีเสื้อผ้าติดตัวเลยเดินเข้ามาไอพวกเราท่านทั้งหลายก็เห็นเห็นพวกเราท่านทั้งหลายก็เห็นอ้าวทําไมบ้ามันมายังไงผีบ้ามาอย่างไรไปไปไรอ้อไรอ้อพระโพธิองค์ อยาเลยอุบาสกอุบาสิกาอา่อันนี้แหละคือสาวิกาพวกแข่งในวินัยจเข้ามาหาเราอันนี้แหะคืออริยะสาวิกาจะเข้ามาพวกท่านให้ให้เข้ามาอุบาสกคนหนึ่งเห็นอกับกิริยานี่ยกับเปลืองผ้าให้นางแต่พอเปลืองผ้าให้นางเออใครเขา้าวัดให้นางเข้ามาพอนางเข้ามาบอกว่าพระพุทธโอกรเรียกนางเลยนะเออแล้วะปตตาจาราน้องหญิงเธอจงมีสติ เพราะพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นเลยนะเธอจงมีสติพอนางได้สติพบขึ้นมานั่งเลยนั่งลงกับพื้นเลยเพราะนางลงกาเพื่อมีความละอายะสิมีความละอายว่าตัวเองไม่มีเสื้อผ้าอะไรเลยอุบาสกคนหนึ่งก็เลยโยนผ้าลงผ้าตุ่มของตัวเองให้คนหนึ่งก็โยนผ้าห่มให้โยนผ้านุ่งผ้าห่มให้นางก็ได้นุ่งห่มผ้า จากนั้นก็นเข้ามากราบพระพุทธเจา้ามากราบตรงพระพุทธพระองค์บอกว่าเป็นไงปัตตาจรานนางก็บอกโอ้ข้าพระองค์มีความทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นพระองค์ยาเลยยาพูดเลยปัตตาจร า, าอาดีตที่ผ่านมาแล้วคือมันผ่านไปแล้วมันดีมันก็ดีมาแล้วมันชั่วมันก็ชั่วมาแล้วไม่ต้องคิดถึงอนาคตยังไม่คิดถึงคิดถึงปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้ตั้งใจฟัง เ, เราจะพูดอะไรให้ฟัง จากนั้นพระพุทธองค์ก็ได้เทศธรรมะให้แก่นางปตยาจลากับพุทธบริษัทฟังในในเดี่ยวนั้นจากนั้นนางก็เกิดความเคารพเลื่อมใสนับถืออย่างมากขอบวชเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ก็เอาให้นำนางภิกษุณีไปมอบให้แก่นางโคตมีที่เป็นอาจารย์ที่เป็นพระอุปัชฌาย์ใหญ่ของเขาในยุคสมัยนั้นจากนั้นนางก็เข้าไปศึกษาธรรมะกับนางภิกษุณีจากนั้นก็นางก็ได้บวช พอบวชเข้ามาแล้วก็นางก็ตั้งอกตั้งใจภาวนาทีนี่ตั้งอกตั้งใจประพฤติป ฏ, ปฏิบัติจากนั้นวันหนึ่งที่นางจะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์คือนางไปตักน้ําจากแม่น้ําขึ้นมา่ประเทศอินเดียเขาใส่หม้อน้ำใช่ไหมแบกใส่บาขึ้นมาพอมาแล้วก็มาตั้งเอาไว้พอตั้งเอาไว้เขาก็ตักน้ำล้างเท้าพอตักน้ําล้างเท้าเทไปน้อยนึงน้ําก่อแห้ง พอเทไปอีกครั้งที่สองน้อยหนึ่งน้ําก็แห้งพอเทถึงครั้งที่สน้ําก็แห้งมันไหลา ย, ยาวไปกว่าครั้งที่หนึ่งไหลสั้นครั้งที่สองมันกัไหลซึมไปยาวครั้งทสไหลซึมนางก็มาพิ จ, า, จารณาเออคนเราเนี่เกิดมาสมัยเป็นน้อยก็ตายกลางก็ตายใหญ่ก็ตายคนเราเกิดมาเนี่ยไม่มีใครที่จะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายเหมือนกับเราเทน้ําล้างเท้าของเ ร, เรานี่แหละอพอเราเทครั้งหนึ่งมันก็ไหลไปซึมไปน้อยหนึ่งมันก็แห้ง เทอีกครั้งที่สองมันไหลซึมยาวกว่านั้นอีกมันก่อแห่งเพื่อครั้งที่สามเลยยาวกว่านั้นก่แห่งแต่ทุกคนเราเกิดมาแล้วต้องตายด้วยกันทุกคนไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้ ซ, ซึ่งมรณะาภายัยนางเห็นอนิจจังทุกขังานาตาเกิดความเบื่อหน่ายใจของนางก็ได้สําเร็จเป็นพระรหันในขณะนั้นนี่แหละทั้งมีอุปนิสยัยแต่กรรมเก่าเคามีท่านก็มีเหมือนกันเพราะนั้น เมื่อได้สําเร็จเป็นพระหรหันแล้วนางก็เป็นผู้สํารวมระวังในศีลและวินยัยเป็นผู้แข่งครัดในธรรมและวินยัยพระพุทธองค์จึงได้ยกย่องได้รับเอธะทคะเหนือกว่าภิกษุณีทั้งหลายผู้แข่งในวินยัยผู้รู้วินยัยผู้รู้ในศีนกลกดระเบียบมากกว่าภิกษุณีอื่นได้รับเอธะทคะนี่แหละนี่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่าน ไม่ให้พวกเราตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ในนิทานหรือว่าในธรรมประทัดตกถาในเรื่องนี้พวกเราให้สังเกตดูว่าการสั่งสมบุญก็ดีให้ให้พร้อมกันทั้งสามีภรรยาถ้าเป็นอย่างนั้นได้ดีที่สุดเท่าว่าสามีเข้าวัดเข้าว่าแม่บ้านทะเลถลยไปหากินเหล้าเมา ย, ยาเกิดมาพบหน้าชาดหน้าก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นสามีก็เป็นคนที่ร่ํารวยมีฐานะเอ แต่แม่บ้านก็ยังว่าถ้าฮาว่าแม่บ้านมีแต่เข้าวัดเข้าวารสามีทะเลทรายก็อย่างเหมือนนางปัดตาจาราเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้นะให้พวกเราไปวัดไปวาร์ ด, ด้วยกันไปด้วยกันสั่งสมบุญกุศลด้วยกันบุญกุศลจะเกิดพร้อมกันเห็นพ้องต้องการปราถนาสิ่งใดพวกเราครอบครัวก็จะมีความสงมบพร่มเย็นเป็นสุขทั่วนหน้าเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆุกท่านนะ เกิดมาชาตินี้ชีวิตนี้เราได้พบพระพุทธศาสนาได้พบธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ที่อตมาได้ยกเป็นพุทธภาสิีเบื้องต้นว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปาดาวะธรรมมิโนอุปชิตตวานิรุชันติขยะวยธรรมมาสร้างฆาราอัปมาเดนะซัมปาเดท่าติ พุทธพ์ธคํานี้พระองพระองค์ตัดว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเราเกิดมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายไม่มีใครที่จะไม่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีในโลกนี้เพราะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเมื่อร่างกายสังขารไม่เที่ยงก็อย่อยาจะตั้งอยู่ในความประมาทไปยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอันนี้คือพุทธ พ, ทธท พ, พทธ จ, น, จพธพน์ที่พระพุทธเจ้าก่อนจะปฏิพานท่านว่า กอนที่ขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ตนกันอย่างนี่แหละยังที่หลวงพ่อบุญหลายของเราได้สร้างวัดว า, าศาสนาสร้างทาวรวัตถุได้ช่วยประเทศชาติบ้านเมืองช่วยถนนหนทางช่วยโรงพยาบาลช่วยเครื่องมือช่วยโครงการช่วยชาติทองคําเข้าคังหลวงอย่างนี้แหละอันนี้ก็คื อ, อยังประโยชน์ประโยชน์คนอื่นประโยชน์ตนกัไหวพระสวดมนต์นั่งภาวนารักษาศีลอันนี้คือประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่าน ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดขอให้พวกเราทุกๆท่ทานคณะสัตยาญาติโยมทุกท่านนะอขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่างเมื่อพวกเราได้ยินแล้วประโยชน์ตนก็อยากให้ขาดตกบกพร่องให้ทานรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติบิดามารดาเป็นต้นอันนี้ก็คือประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็คือช่วยเหลือชุมชนสังคมนี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลาย ปฏิบัติตามนี้อันนี้แหละคือเป็นหนทางแห่งมรรคผลเป็นหนทางความสุขความเจริญสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายแล้วก็เนี่ยวันนี้ที่หลวพ่อบุญหลายอัคคธรรมโมเนี่ยที่ท่านทําบุญชาปนกิจของโยมแม่ของท่านเนี่ยกับญาติพี่น้องท่านนิมนต์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์มารับชัยทานอย่างเนี้ยอันนี้ก็ล้วนแล้วจะท่านคําถูกต้องนะ เมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดำรงวงสกุลระพฤตินตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้เป็นหน้าที่ของบุตรธิดาในหลวงพ่ อ, อ, อบนหลายทท่านถูกทำถูกแล้วกับญาติพี่น้องของท่าน เ, เมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านเราไม่รู้ว่าท่าน ดวงวิญญาณของท่านแม่ของท่านไปสิงจะติดอยู่ณทินใดในพวกเราก็ให้สั่งสมให้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านเพื่อทดแทนพระคุณที่ท่านเลี้ยงดูเรามาพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่เลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงสกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านเนี่ย อันนี้แหละทำคำสอนของพระพุทธเจ้าข อ, ขอให้นั่นขอให้นั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านถ้าเดินตามทำคําสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมการกล่าวสมโภชธนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอํานาจคุณพร ะ, ะ, ะศีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองขอให้พวกเราประสบแต่ความสุข ความเจริญปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอให้สมหวังดังปราถนาทุกประการเทิญ